ของพระเดชพระคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณหรือหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยะมังคโลโอเนื่องในวโรกาสที่ได้รับ ร, ราชทานสมณศักดิ์พัฒย์ศแต่งตั้งเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีพระราชินานามว่าพระภาวนาวิสุทธิคุณเนื่องในโอกาสอันเป็นมงคล น, นี้คณะสิ์ในพระเดชพระคุณหลวงพ่อจะขอนำชีวประวัติซึ่งมีธรรมะ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 ท่านได้เห็นความสำคัญของการสร้างพระวิปัสนาจารย์เพื่อเผยแพร่วิชาธรรมกายซึ่งได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อเจ้าพักุลสมเด็จพระพุทธาจารย์ในสมัยที่ดารงสมาศักดิ์เป็นที่พระพมกุณาภรให้ก่อตั้งโครงการพุทธภาวนาวิชาธรรมกายวัดสเกต ร, ราชวรมหาวิหาร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 เมื่อวันที่หมีนาคม2529โดยมีท่านเจ้าประคุสมเด็จพระพุทธโสาจารย์เจ้าอาวาสวัดสามภริยาเจ้าคณะใหญ่หุ่นกลางเป็นอุปชามีท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์สมัยดำรงสมณศักดิ์เป็นที่พระพมคุณาภรเจ้าอาวาสวัดสเกต ร, ราชวรมหาวิหารเป็นพระกรรมวาจาจารย์และเจ้าประคุณสมเด็จ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 โครงการสำนักปฏิบัติธรรมตามแนววิชาธรรมกายในต่างจังหวัดนอกจากนี้ยังมีการอบรมนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการประชาชนเป็นประจำทุกเดือนสอง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 ได้กระทําตัวให้เป็นตัวอย่างให้เป็นประจักษ์ว่าแม้ท่านจะเริ่มเรียนในวัยร่วม60สปีแต่ก็ไม่ได้ย่อทอ้อหรือด้อยกว่าพร ะ, พ, ระพิสุสงฆ์สมเนรที่อยู่ในวัยกำลังศึกษาท่านกลับคอยเป็นกำลังใจให้พระพิสุสงฆ์สมเนรอยู่เสมอในการที่จะบากบัน่นศึกษาเล่าเรียนความพยายามอยู่ที่ไหนความสาเร็จยอมตามมา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 ท่านได้ก่อตั้งสำนักศาสนาศึกษาขึ้นภายในวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามปัจจุบันสำนักศาสนาศึกษาแห่งนี้ได้รับแต่งตั้งเป็นสำนักเรียนปริยะติธรรมประจำอาเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีเพื่อให้พระพิสุสงฆ์สามเณรได้ศึกษาหาความรู้กันอย่างเต็มความสามารถตัวท่านเอง ก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นครูสอนปริยติธรรมและเป็นกรรมการตรวจข้อสอบนักธรรมสนามหลวงตั้งแต่ปีพุทธศักราช2534เป็นต้นมา 3. ตด้านการก่อสร้างวัดและสถานที่สัปปายะ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 พระบรมสารีริกธาตุพระธาตุตลอดจนหินรัตนาชาติและกายสิทธิ์ที่หาค่าประมาณไม่ได้แล้วยังเป็นสถานที่สำหรับกราบไหว้บูชาและเจริญภาวนาแก่พุทธศาสนิกชนนอกจากนี้ในส่วนปฏิมา ก, กรรมของอุโบสถซึ่งเป็นลวดลายไทยรวมทั้งวิหารแกรบและสาลาราย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 นอกจากจะเป็นผู้ศึกษาและสอนการปฏิบัติธรรมแล้วทางด้านการเขียนตำรับตำราและการรวบรวมเอกสารทางวิชาการด้านธรรมะท่านก็ได้ศึกษาคนา้นคว้าและจัดทำตำราไว้มากมายอาทิเช่นนิพพานสามในอริย ส, สัจสี4ตอบปัญหาธรรมะหนังสือมรรคผลนิพพานรวมทั้งนิตยสารธรรมกายที่ออกเป็นประจำรายสามเดือน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 ตั้งแต่เวลา8ในกาถึง8ในกา30นาทีผลงานการเผยแพร่ธรรมะของท่านเป็นประจักษ์พยานจนได้รับรางวัลดีเด่นด้านการเผยแพร่พระพุทธศาสนาภายในประเทศเป็นรางวัลเสมาธรรมจักรเมื่อปีพุทธศักราช2536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 เมื่อปีพุทธศักราช2538ได้รับรางวัลชนะเลิศการปลูก ป, ป่าประเภทศาสนาสถานของกรมป่าไม้เมื่อปีพุทธศักราช2539ความเจริญเติบโตของทางวัดมิได้มุ่งเน้นทางด้านวัตถุมากนะักแต่กลับเห็นความสำคัญของการพัฒนาธรรมะของพระภิกษุสงฆ์สามเณรตลอดจนอุบาสกอุบาสิกา ความเจริญเติบโตของทางวัด ส, ส่วนใหญ่จึงเป็นผลงานด้านการอบรมธรรมปฏิบัติที่เพิ่มมากขึ้นและการศึกษาภาคปริยัตและปฏิบัติของพระพิสุสงสามเนรที่เพิ่มขึ้นลุงพ่อพระมหาเสริมชัยจึงได้จัดตั้งทุนพระตาหารฮิฬานเพสัตและทุนการศึกษาของพระเพื่อสามารถจะนำดอกผลของกองทุนนี้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 และถวายตัวมอบชีวิตให้เป็นทนายต่างพระพุทธศาสนาดังคำบาลีที่ว่าโยฮาเวทหาโรพิค oh ah ุยุนชติพุทธศาสเสนโสมังโลกังประพาเสติ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 สาธุชนก็ได้รับฟังชีวประวัติของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาวิสุตธิคุณหรือหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยะมังคโลโอจบลงไปแล้วโดยการนําเสนอของอยานรัตนะซึ่งเป็นศิษยานุศิษย์คนหนึ่งในพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้เขียนชีวประวัตินั้นขึ้นมาเพื่อที่จะให้สาธุชน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 อาจจะไม่คุ้นหูแต่ให้ทราบไว้ว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยมังคโลนั้นได้รับแต่งตั้งเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีพระราชาที่นามว่าพระภาวนาวิสุทธิคุณซึ่งต่อไปก็จะเป็นองค์ปาตกถาหรือองค์ธรรมบรรยายประจำรอยการธรรมะส่สันติต่อไปซึ่งจะทาหน้าที่ เผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งหลักปริยัติวิธีกรารปฏิบัติรวมทั้งผลของการปฏิบัติสู่ท่านสาธุชนเป็นประจำสําหรับวันนี้รายการธรรมสูตสันติก็หมดเวลาลงแล้วขอเชิญท่านสาธุชนโปรดติดตามสารธรรมจากทางรายกรารได้ในครั้งต่อไปสําหรับวันนี้ขอความเจริญรุ่งเรืองในพระสัตธรรม ย่มมีแต่ท่านผู้ฟังทุกท่านถือรื่นเจริญพร